ก็ความสุขและความเจริญจงบังเกิดมีแดดยัดโยมและผู้ใฝ่ธรรมดังหลายวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ยัดโยมได้มาปฏิบัติได้มาภาวนากัน กันในครั้งหนึ่งนะซึ่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคได้แสดงว่าดูก่อนอันนนผู้ใดจะเป็นพิสุก็ดีพิสุณีก็ตามแม้จะเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ดีถ้าได้ ปฏิบัติธรรมอันสมควรเกรธรรมปฏิบัติธรรมชอบยิ่งปฏิบัติธรรมเพื่อมักผลนิพพานผู้นั้นชื่อว่าได้สการะได้เคารพได้นับถือได้บูชาพระตถาคตอย่างสูงสุด นี่ก็เป็นการเห็นเจตนาขององค์สมเด็จพระพุหมีพราปาที่ทรงแสดงดุตรัสไว้ใครก็ตามที่บูชาเคารพนับถือสักการะพระองค์เนี่ยไม่มีอะไรที่จะยิ่งไปกว่า การได้ปฏิบัติทำอันสมควรแก่ธรรมและเพื่อบรรลุสูงสุดก็คือมรรคผลนิพพานแสดงว่าพระพุทธเจ้าไม่ปรารถนาสิ่งอื่นใดยิ่งกว่าที่ให้บรรดา เหล่าพุทธบริษัททั้งหลายนะได้มาปฏิบัติรักษาศีลเจริญกิตตภาวนาแผ่เมตตาและการศึกษาธรรมะ การฟังธรรมก็ดีศึกษาจากตำรับตำราก็ดีจากผู้รู้ทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายนี่คือความประสงค์ของพระพุทธเจ้าเพราะสิ่งที่พระองค์ได้พึงประสงค์นั้นก็คือ เป็นหนทางของชีวิตสัตว์มนุษย์ทุกตัวตนที่ดิ้นรนกันอยู่ mm. ก็บอกว่ายัางไม่ถูกทางอาจจะมาเคยเล่าให้ญาติโยมฟังหรือแสดงในเวลาที่บรรยายธรรมอยู่ บครั้งหนึ่งที่ได้เคย เ, เดินทางไปสู่มัตตพูมอันบ้านเกิดเมืองนอนใก็ช่วงเช้าของวันหนึ่งตมาก็ออกโคจรบิทธบาทแล้วก็เจอโยมก็เป็นรุ่นรุ่นราวอายุ กราบพ่อแม่ได้ธรรมาก็รู้จักดีตั้งแต่ตอนเป็นเด็กก็เห็นโยมเขาเข้าวัดเขาวากันดีธรรมาก็ไม่เข้าใจสองพวมเมียพอถึงวันพระวันเจ้าก็นั่งรถซ้อนไท้ายเป็นโมอเตอร์ไซค์ก็ไปวัดสามีก็เป็นผู้ อรัธนาศีนอรัธนาธรรมอาตมาก็ตามผู้เท่าผู้แก่ไปบ้างเ็นบางบางครั้งก็ถือบินโตไปเงี้ยพอธรมาได้บวชได้กลับไปสู่มัตต ภ, ภูมิบินธรรมบาาย้ำเช้าก็โยมพูดนี่แหละออกมาตัก ตักบาตโยมก็ไม่ได้มองอาตมาอย่างชัดเจนแต่อาตมาจำโยมได้ก็มองยมโยมพอโยมตักบาทเสร็จพ็ก้มกราบเสร็จอาตมาก็ถามบอกโยมจำอาตมาได้ไหมเด็กจะจาผู้เฒ่าผู้แก่คนผู้ใหญ่ได้ แต่ผู้ใหญ่จะจำเด็กไม่ค่อยได้หนึ่งก็ความชราทำให้หลงลืมด้วยส่วนน่แล้วก็สองรูปหน้าเด็กก็เปลี่ยนได้เร็วด้วยในช่วงเด็กสิบสองกับคนอายุยี่4บสามยี่บสี่รูปหน้าก็เปลี่ยนไปเยอะต่อมาก็ถามบอกจำอัตมาได้ไหมยมเขาก็มอง บองแบบเหมือนไม่แน่ใจแต่มาก็รู้แต่มาก็บอกชื่อยมพ่อให้ฟังพอบอกชื่อยมพ่อสมัยก่อนลูกใครเนี่ยเขาจะรู้นะเวลาไปลูกคนนั้นลูกคนนี้เขาจะพูดถึงพ่อแม่เด็กคนนี้ลูกคนนั้นคนนี้พ่อแม่เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเอ่ยชื่อ โยมก็จำได้ร้องว่าอ๋อบวชแล้วเ อ, อกบวชแล้วโยมก็บอกดีดีแล้วล่ะพระกุณเจ้ามาถูกทางแล้วยงมใช่ไหมพอยมก็ทักคำนี้คำเดียวบอกดีแล้วมาถูกทางอาตมารู้สึก ทราบซึ้งตื้นตันอิ่มเอิบมีความสุขมากยมก็บอกดีแล้วท่านมาถูกทางแล้วต่มาก็ไม่พูดอะไรต่ออีกเลยก็เดินได้คำนี่แหละเป็นสติเดินจับคำนี้อยู่คำเดียวอิ่ม และจำถึงถึงวันนี้บอกมาถูกทางแล้วขนาดโยมแท้ๆพอเห็นนักบวชโยมเขาก็บอกท่านมาถูกทางแล้วแสดงว่าจิตวิญญาณของโยมเนี่ จริงๆก็ชื่อโยมนวลนะชื่อยมตอนนี้ก็ไม่ทราบว่าเป็นตายรายดีอย่างไรอายุก็น่าจะไม่ต่ำกว่าเจ็ดสิบขึ้นแล้วนะเป็นคนใจบุญหน้าตาเขามองแล้วสว่างพูดจาก็เย็นเรียกลูกก็ใช้คำที่ไพเราะ ล, งงลูกอย่างนั้นลูกอย่างนี้เราฟังแล้วก็มีความสุขเหมือนอยากได้แม่เหมือนกันยลูกมาถูกทางแล้วแต่มาจำแสดงว่าจิตใจของโยมเนี่ยเขาเป็นพระแล้วกายเนี่ยเป็นโยมยังใช้ชีวิตในการครองเรือนก็จริงแต่ว่า ในจิตใจเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลเหมือนพระเหมือนพระทำบุญสุนทานตลอดตัมมารู้เลยว่าโยมเขาพูดคำนี้เนี่ยเรารู้สึกดีใจท่านมาถูกทางแล้ว รู้ไหมทางที่โยมเขาบอกคืออะไรทางนี้แหละไปสู่สุขติอัตมาเข้าใจเลยบอกมาถูกทางแล้วเป็นชีวิตที่ไปสู่สุขติไม่ไปสู่ทุกขติจึงบอกว่ามาถูกทางไปถูกทางแล้วเพราะอะไร เพราะอยู่ในองค์ศีลองค์ธรรมเนี่ยเราจะเป็นผู้ไม่มีเวรและก็ไม่ผูกเวรเราเป็นผู้ไม่พยายามบาตไม่ผูกพยายามบาตเราเป็นผู้ไม่สร้างบาปสุดท้ายเราก็เป็นผู้สิ้นบาสมาถูกทางทางที่ไปสู่สุคติ เออนี่แหละหนทางอันไปสู่สวรรค์ไม่ต้องตายโย่ชีวิตคนเนี่ยเราจะวัดได้นะว่าคนนี้เนี่ยมีสุกคติอยู่ในปรโลกหน้าและในปัจจุบันเขาอยู่มีคติแบบไหนอย่างไรเนี่ยก็พอมีเขาเรียกอนุสัย ก็คือก็มาจากสันดานเดิมจิตภายใต้ก็คือจิตของตัวเองยมสังเกตไหมคนที่เขามีสุกติในเบื้องหน้านวาจาเขาเริ่มสงบลงนะถ้าไม่กระทบมากเกินเนี่ยไม่หลุด โดยปกติของนิสัยและของชีวิตที่อยู่เขาจะอยู่แบบเย็นมากกว่าเราร้อนอยู่สงบมากกว่าวุ่นวายอยู่แบบให้อภัยมากกว่าที่ผูกเวทนี่คือหลักง่ายๆที่โยมต้องกำหนดให้ได้ว่าขณะจิตของเราเป็นแบบไหนวิตของเรานั้นใช้ไปในหนทางแบบไหน เราสามารถวัดว่าเป็นสุกคติหรือทุกคติโดยเฉพาะจิตเจริญกุศลไม่ไปสู่อกุศลเป็นกุศลาแห่งธรรมะไม่เป็นอกุศลาถึงบอกเออมาถูกทางแล้วไม่ใช่ทางเดินแต่ทางที่ดำเนินไป สก็เรียกเป็นเส้นทางแห่งชีวิตที่เราเดินไม่ไปสู่ทุกขติไปสู่สุกติหนึ่งเราไม่เบียดเบียนชีวิตข่าสัตว์ตัดชีวิตทรมานทรกรรมสัตว์เราเป็นผู้ไม่กระทำและผู้ภาวนาะต้องกำหนดด้วยว่า เมื่อเราปฏิบัติแล้วเราทำได้ไหมถ้ายังฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเบียดเบียนสัตว์อยู่ถ้าเหตุผลเพื่อให้ชีวิตตัวเองอยู่และต้องให้ชีวิตผู้อื่นตายนะ่ยมันค้านกับความเป็นจริงมันไม่ใช่ นั่นมันอยู่ในภูมิของสัตว์เดรัจฉานและสัตว์เดรัจฉานบางภูมิเขาก็ไม่ได้เบียดเบียนชีวิตเขากินพืชผักก็มีเขาไม่ทาลายนอกจากว่าอาหารสัตว์ที่ตายแล้วเขาไม่ไปละเมิดไม่เบียดเบียนไม่เข็นฆ่าไม่รับรู้ในการตายไม่รับรู้ในการฆ่า ถ้าเห็นเนื้อสัตว์อย่างนั้นเอามารับประทาน ไ, ด, ได้ไม่ผิดไม่ผิดแต่ถ้าเราใช้ชีวิตของเราเพื่อให้อีกชีวิตหนึ่งตกล่วงไปด้วยชีวิตแล้วเอามารบริโภคเต็มเต็มเลยร้อยเปอร์เซ็ตผิดมีคนก็ถามว่า ถ้าสัตว์ตัดชีวิตแล้วเอามาทําบุญที่วัดเป็นบาปไม่ต้ามาบอกโดยไม่ต้องชักช้าระบอกบาปทําไมบอกบาปก็ไปฆ่าเขามาไปทําลายชีวิตเขามาตาเขาถลนอยู่เห็นหรือเปล่าบาปทาให้เขาต้องเจ็บปวดเราเบียดเบียนชีวิตเขา พรากลูกพรากเมียรพรากพ่อเข้ามาแม้เราเอามาบริโภคเองก็ผิดผิดโดยข้อสีดฆ่าสัตว์บางชนิดไม่ผิดกฎหมายแต่ผิดโดยแง่ของศีลธรรมเราเบียดเบียนเขาอะและโยมคิดหรือว่าชีวิต เขาจะ อ, อวยพรให้เราว่าให้จเจริญเจริญไม่ไม่ใช่ที่นั้นเราเองต้องไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ทรมานทรกรรมสัตว์ผู้ภาวนาปฏิบัติต้องเข่งครัดในเรื่องนี้เลยไม่ได้บาปเราจะไม่ก่อ เวรเราจะไม่สร้างสุดท้ายเราจะเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีบาปกัมที่เป็นอกุศลแต่ถ้าใครยังปฏิบัติฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่เนี่ยเหตุผลเพื่อเลี้ยงตัวเองและฆ่าชีวิตผู้อื่นเนี่ยยังไงยังไงเสียมันก็ยังเป็นเวรกรรมอยู่อย่าทำ อย่าทาว่าอย่าไปทํานอกจากว่าสัตว์นั้นเขาตายแล้วเราไม่รู้ไม่เกี่ยวไม่ค้องเอามาบริโภคได้พระพุทธเจ้าทรงอนุญาต แต่ถ้ารู้ในการฆ่าเห็นในการฆ่าสั่งในการฆ่าหรือทำด้วยตัวเองก็ตามถ้าเป็นพระถ้ารู้แล้วไปขบฉันเนี่ยปรับอาบัติปรับอาบัตนะปรั บ, บ, นะรบสินสัตว์เป็นเป็นชี้บอกเออเอาไปทอดเอาไปย่างสดๆมากิน เรียบร้อยมันไม่ใช่ผู้ทรงศีลอะอย่างนั้นผู้ทุศีลยุมอย่าไปทำนะบางทีเราไปเข้าร้านที่เขาขายอาหารสดๆนะบางทีมีตู้ใส่กุ้งใส่อะไรไว้แล้วไปสั่งมาเนี่ยที่รู้อยู่ว่าเดี๋ยวกุ้งก็ต้องถูกมาเอาตรงเนี้ย ถ้าเห็นแล้วยมอย่าไปสั่งกุ้งจองเวน้นอย่าเราบอกเอาไม่กุ้งสดยังเป็นๆอยู่สั่งแล้วก็เดี๋ยวย่างให้เลยอย่าไปยินดีเพียงแค่คำว่าสดเนื้อหวานอย่าไปยินดีมันจะเป็นบาปกรรมเรา เราไม่ใช่ยักษ์ใช่มาที่ต้องไปฆ่าชีวิตเพื่อชีวิตตัวเองโยมลองนึกดูถ้าในหนึ่งปีเราต้องฆ่าชีวิตไปกี่ร้อยชีวิตในสิปีโยมฆ่าไปกี่พันชีวิตโยมก็คูณไปเลยจำนวนในแต่ละวันแต่ละวันแต่มาไม่ ไม่ยินดีในการฆ่าไม่ยินดีในการให้ถูกฆ่าสังฆ่าหรือเห็นในการฆ่าเรารู้แล้วนี่คือหนทางสุกติถ้าโยมปฏิบัติได้ไม่ต้องกลัวว่าจะไปลงสู่นรกในขุมที่จะต้องถูกทรมานที่ว่าตัวเป็นคนหัวเป็นหมูเป็น ไก่เป็นปลาไม่ต้องกลัวที่เขาจะดึงตัวมาตัดขาดเป็นท่อนๆถ้าเราไม่สร้างกรรมข้อ น, นี้เหตุแห่งกรรมนี้ก็ไม่มีผลให้กับเราได้นี่คือทางที่ไปสู่สุคติคือบอกเ อ, อิดเดินถูกทางแล้วเพราะนักบวชเป็นผู้เบนแล้วจาก ศีลในการทำลายข้อปธิบัติบกเออเราบวชเราก็เว้นความโลภความอยากได้แก่งแย่งแย่งชิงของใครมาเราก็ไม่ปรารถนาถึงบอกหลักชีวิตอยู่เราดูได้ว่าคนนี้จะมีสุกติหรือทุ ก, กติในปรโลกหน้าเนี่ย มองพอมองเห็นนะแต่ยังฆ่าสัตว์ตัดชีวิตยอยู่เนี่ยบางคนเนี่ยจมน้ำตายเลยก็มีเรื่องการช็อตปลาเนี่ยก็เคยได้ยินพอเห็นปลาตัวใหญ่ขาดสติก็กระโดดลงไปจับตายไปด้วยไม่ดี มันเป็นกงเกวียนกงกรรมกงกรรมก ง, กงกรรมเกวียนมุนเวียนให้ตัวเราเองเป็นผู้รับผลแห่งกรรมโยไม่ต้องห่วงถึงตามชาตินี้ไม่ทันชาติต่ อ, ต, อต่อไปเสร็จโดนเขายำยำเละเล ย, ยเกิดมาก็อายุสัน้นถ้าทรมานโทรกรรมสัตว์เกิดมา ก็มีแต่โรคเดี๋ยวโดนผ่าเดี๋ยวโดนเจาะเดี๋ยวโดนตัดอวัยวะอยู่ไม่เป็นสุขอยู่ไม่เป็นสุขแม้ชีวิตอยู่ก็หาความสงบไม่ได้มีแต่เรื่องร้ายๆเข้ามาเออคนอื่นทำไมเขาไม่เป็น ทำไมเรามันเรื่องเยอะอย่างโยมไม่สังเกตดูหรือตัวเราทำไมมันจึงซ้ําซ้อนซวยซ้ําซวยซ้อนเคราะกรรมทำไมมันไม่หมดไม่สิ้นทัทีโยมต้องหัดดูว่ามันเกิดเพราะอะไรมันก็คือแรงกรรมมันเป็นแรงกรรมที่เราได้รับอยู่ จริงอยู่ว่าตอนนี้ปัจจุบันเราไม่ได้สร้างเราไม่ได้ทำเลยยืนยันแล้วเกิดมาชาตินี้ไม่เคยเบียดเบียนใครไม่เคยทำ้ายใครไม่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตพูดได้เต็มคำเลยแต่ชะตากรรมดูมเหมือนว่าทำไมเราต้องมาเจอเจอสิ่งเลวร้ายทั้งหลายทั้งสิ้น ไม่เว้นปีไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งนั่นให้รู้ว่าศีลของเราไม่ดีศีลของเราไม่ดีมาก็เลยทาให้ไม่เป็นสุขมันเป็นทุกข์มากกว่าเพราะฉะนั้นการภาวนาปฏิบัติยึงบอกว่ามาถูกทางแล้ว โยมก็เหมือนกันแต่มาก็ต้องใช้คาว่าพวกเราเนี่ยเดินมาถูกทางแล้วแต่ว่าทางที่เดินเนี่ยมันอาจจะต้องเดินไกลหน่อยอย่าพึ่งเหนื่อยอย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งถอยขวาง้ําก็อีกเยอะไม่ใช่ว่าคนจะทำความดีนึกแล้วจะทำได้สำเร็จทุกๆเรื่องนะอย่าเข้าใจ ว่ามันจะได้ทุกๆเรื่องไม่จริงอุปสรรคมันมีมารมียมเคยได้ยินไ่ามารผจนพระพุทธเจ้าเองก็ถูกมารต้องผจนมารเหมือนกันในนภาษาอะไรกับพวกเราที่ศีลก็ยังไม่สะอาดพอสมาธิก็ไม่มั่นคง สติปัญญาจิตใจของเราก็ยังไม่หมดจดบริสุทธิ์มันก็เป็นธรรมดาเราก็ต้องชดใช้นี่เวรกรรมกันไม่รู้ว่าจะสะสมกันจบได้เมื่อไหร่บางคนก็พยายามจุดทูปบอกกล่าวเล่าขาน เป็นพยานแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ได้ทําไม่ได้ช่างเลยทําไมลูกช่างต้องมารับเวรรับกรรมทําไมลูกหลานต้องมาเป็นอย่างนี้ที่เราพูดเนี่ยเรายังไม่รู้ความจริงมันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอยู่แต่ว่าเราไม่มีญาณที่จะรู้เรื่องมันเป็นอย่างนี้อาตมาเคยเล่าให้โยมฟัง วาว่เรื่องของหลวงพ่อโตก็มีพระไปกับหลวงพอ่ออีกสองรูปคนหนึ่งก็ภายข้างหน้ า, าวันนั้นหลวงพอ่อไม่ได้ไปขออาภายัยพระท่านไปสองรูปคนหนึงก็ภายข้างหลังคนนึงก็ภายข้างหน้าภายไปภายมาได้ครึ่งทางองค์ที่อยู่ข้างหลัง ยังไงไม่รู้อยู่ๆก็เอาไม่ภายไปตีหัวพระองค์ข้างหน้าที่กำลังภายอยู่ท่านก็เจ็บท่านก็โวยวายใหญก่ก็ต่อว่าต่อขานว่าทำท่านทำไมท่านก็บอกไม่รู้อยากตีก็ตีพูดแบบนักเลงอยากตีก็ตีอารมณ์ไม่ดีพูดมากเดีวก็ตีอีกนะท่านก็เลยหยุดพูด พอถึงวัดเนั้นแหละท่านก็รีบเลยเข้าไปหาหลวงพ่อโตหลวงพ่อครับผมถูกตีหัวมาหลวงพ่อโตได้ยินหัวเราะชอบใจใหญ่ครับพระถูกตีหัวมาหลวงพ่อหัวเราะชอบใจใหญ่แล้หลวงพ่อหัวเราะทําไมเนี่ย ผมถูกตีหัวนะั้นหลวงพ่อผมเจ็บหัวจะแตกหลวงพ่อหัวร้อยใหญ่เออมันก็ยุติธรรมดีแล้วหลวงพ่อบอกดูสิหลวงพ่อโตบอกมันก็ยุติธรรมดีแล้วพระท่านก็บอกหลวงพ่อผมพายดีๆเขามาตีหัวผม หลวงพ่อไม่เอาเรื่องเขายังมาหัวเราะและยังบอกว่ายุติธรรมดีแล้วมันยุติธรรมตรงไหนหลวงพ่อกรบมชาติก่อนเองก็ตีหัวเขามานี่เห็นไหมโยกเรื่องก็เลยหยุดเลยหลวงพ่อก็เล่าให้ฟังแต่นั่นหลวงพ่อโตท่านมียาท่านสามารถเล่าให้ฟังได้ถึงบอกมันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังถึงบอก เฮ้ยเมื่อไหร่พวกเราจะหมดเวรหมดกรรมดมาอย่างทอนใจเหมือนกันบางทีก็เหนื่อยทนได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นพอเบื่อขึ้นมาอยู่จริงทนได้ก็อยู่ก็อยู่ก็ไม่ทนก็ไม่ได้ก็ไปอีกหน่อยก็ตายยากกันทนเป็นไม่ได้ก็จากกันทนเป็นได้ก็อยู่ยนตายนะแต่บอกเออ คู่เวรคู่กรรมก็มีคู่บุญคู่กรรมก็มีก็สุดแล้วแต่โยมจะเป็นคู่แบบไห น, นต่อมาก็ตอบไม่ได้แต่จะให้จากกันเลยมันไปไม่ได้มันก็มีสิ่งที่ดึงไว้อีกด้วยเหตุด้วยผลอีกก็มันจองหน้าตีคอนใส่กันอีกเห็นไหมโยมไม่ใช่ว่า เราไม่ชอบแล้วจะเดินออกไปเลยจากชีวิตไม่ใช่มันมีเหตุผลอีกหลายๆอย่างที่ต้องต้องเป็นคู่กัดกันอยู่ต่อเข้าไปอีกสรุปว่ามันก็ยุติธรรมดีแล้วเราก็เหมือนกันจึงบอกก็อย่างเหมือนชาตินี้เราสร้างบุญสร้างกุศลสร้างกรรมดีรักษาศีลฟังธรรมนั่งสมาธิแผ่เมตตา และโยมบางคนบอกสิ่งดีๆก็ไม่เห็นเกิดขึ้นกับเราแต่มาบอกเรื่องจริงสิ่งดีๆทำไมยังไม่เกิดก็เพราะว่าเบื้องหลังอกุศลกรรมนั้นยังมีกําลังมากยังให้ผลอยู่กรรมวิบากนั้นเราต้องรับชดใช้อยู่แม้จะทำดีอะไรก็ตามมันก็อีกตอนนึงต้องขยับไปอีก ขยับไปอีกจนกว่าอากุศลกรรมนั้นเบาบางกุศลกรรมที่เราได้สั่งสมมามีกำลังก็ส่งผลในอาจจะได้รับในบั้นปลายหรืออาจจะตายก่อนแล้วก็ไปสู่อีกในภพภูมิข้างหน้าเห็นไหมโยมหมอที่เขาดูเห็นไหมโยงเาดูหมอดูดวงชะตาไม่ว่าจะเป็นดูแบบ วิธีไหนก็ดีเขาก็ดูจากวาสนาแรงบุญแรงกรรมนั่นแหละยังไบางคนพอไปหาหมอสังเกตดูหาหมอที่เขาดูหมอหรือว่าดูโ ห, โหราศาสตร์ส่วนมาก็บอกเออต้องไปทำบุญสะเดาะเคราะห์สันหน่อยสังเกตไหม เออร้อยทั้งร้อยอ่ะไปทำบุญนะปล่อยนอกปล่อยปลาสะดาะเคราะห์ทำบุญจากบาตรและอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งนั้นเลยแล้วจะดีขึ้นสมวมากเขาแนะนำดีไม่ดีเขาบอกต้องบวชให้เจ้ากรรมนายเวรไม่งั้นตาย ชะตาเนี่ยเขาบอกมันจะหมดนะมันมาแรงนะหลบๆไปก่อนเดไปบวชสักเก้าวันสิบวันเดือนครึ่งเดือนซิอาศัยบุญบวชคนไม่อยากบวชก็ต้องบวชนะเพราะดูดูมันก็ใจคอก็ไม่ดีแล้วนะนะที่ไปหาหมอก็้วเขาทักอีกเนี่ยชะตาก็จะขาดจริง บวชมันเป็นเหตุผลที่มาจากเบื้องหลังนะถึงบอกเออคนเราเนี่ยอยู่อยู่สามอย่างหนึ่งก็คือกรรมในอดีต ที่เราสร้างไว้ไม่ว่าจะเป็นบุญบาปมันก็ส่งผลให้ทั้งสองอย่างสงกรรมในปัจจุบันที่เรากระทําไว้สั่งสมไว้ก็จะส่งผลไปสู่ในอนาคตก็เหมือนกับเราเรียนหนังสือหาความรู้เนี่ยก็เพื่ออนาคตเราก็จะได้นําความรู้เนี่ย ก่อให้เกิดประโยชน์ขึ้นมามันก็เหมือนกันมันก็เหมือนกรรมดีถ้าใครทำดีอยู่รักษาศีลฟังธรรมนั่งสมาธิภาวนาแผ่เมตตาเจริญวิปัสสนาแล้วก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้น وم, เนี่ยอาจะมาบอกโยมเนี่ยเบื้องหลังของพวกเราไม่ดีสักเท่าไหร่ เบื้องหลังของเราไม่ดีสักเท่าไหร่ทํามายืนยันได้เลยขนาดสร้างความดีต่อในชาตินี้ผลแห่งกรรมดียังส่งไม่ได้ก็ย่อมต้องคิดแล้วลนะ่ะต้องคิดได้แล้วว่าแสดงว่าเบื้องหลังของเราเนี่ยไม่ดีแล้วเราสร้างแต่อกุศลกรรม ถึงบอกว่ใครฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเกิดมาอายุสัน้นี่คือเศษเชื่อวิบากนะแต่วิบากจริงๆรรับเต็มเต็มก่อนต้องไปสู่ในภูมิของนรกชดใช้ก่อนพอเศษเชื่อวิบากตรงนั้นเบาบางมาชดใช้ในภูมิของบางทีต้องเกิดเป็นสัตว์ก่อนนะ อยู่ในภูมิของสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นสุกรเกิดเป็นวัวเป็นควายเนี่ยเกิดเป็นไก่เนี่ยเขาต้องพออายุครบกำหนดที่เขาเลี้ยงไว้สา4สบสี่สิบห้าวันหกสิบวันเก้าสิบวันหรือเป็นปลาเนี่ยฆ่าส่งไปไม่มีสิทธิ์เลยต่อ อรองกับมัจุราชไม่มีสิทธิ์นี่เาเรียกว่ากรรมเป็นแดนเกิดให้ผลติดตามแล้วก็มันเป็นอย่างนั้นนะตายตายนอกเสีย จ, จากว่าพอมีเศษวิบากแห่งกุศลบุญมาก็มีผู้มีบุญศรัทธามายื้อไว้วันนั้นก็เอออาจจะไปซื้อมาปลดสัตว์ซื้อแล้วเอาไปปล่อยก็ยืดไปอีกหน่อยนะ อย่างเนี้วัวจะถูกถูกฆ่าวันนี้เขาจะเชื่อดล่ะมีผู้ใจบุญสุนทานมาก็ขอถ่ชีวิตซื้อไว้แล้วเอาไปเลี้ยงเอาไปปล่อยเขาก็ต่อได้อีกไปอีกเปลานะนึ่งแต่ชะตากรรมชีวิตถ้าไม่มีวิบากแห่งกุศลมาช่วยนะอายุสัน้นแล้วเกิดจำพวกสัตว์ที่ต้องถูกฆ่าทั้งนั้นเลย ทีนีพวกทรมานทรกรรมสัตว์ถึงเกิดมาเป็นมนุษย์นะยโยมนะหรือเป็นสัตว์ก็ตามเจ็บป่วยเจ็บป่วยนอนหมดเรียวแรงทรมานอยู่จนสุดๆแล้วก็ตายหรือพวกทรมานที่ใช้แรงงานก็เกิดในสัตว์ที่ต้องใช้แรงงาน ตากฝนตากแดดทนแดดทนฝนจมอยู่กับกองคูดมูดแบบงูควายเนี่ยทำไรไทยน้าต้องใช้แรงงานตลอดนี่มันเป็นวิบากกรรมของชีวิตสัตว์ที่ได้สร้างเอาไว้ใครไปเปลี่ยนมันก็ไม่ได้จึงเรียกว่าชะตากรรมเป็นชะตาชีวิต ของสัตว์น้อยใหญ่ที่บังเกิดอุบัติมาในโลกใบนี้ถวกล้วนแต่มีกรรมเก่าเป็นเงาตัวพวกเราช่วยเขาให้หมดก็ไม่ได้ช่วยตลอดรอดฝั่งก็ไม่ได้มันเป็นชะตาอย่างผู้ที่ไปทำลายเรื่องทรัพย์สินกน็ในข้ออธินาทานเมื่อเกิดมาโยมคิดว่าทรัพย์ถึงจะมีรักษาไม่อยู่ เกิดแผ่นดินไว้อุทกภัยอัคขีภัยวายุภัยรักษาไม่ได้ทรัพย์นั้นมีอันชิบหายเสียมันต้องมีเหตุจะจนปล้นบ้างามีเหตุถูกคดโกงบ้างทำธุรกิจล้มเหลวบ้างเพื่อนมาขอหยิบจิม ก็ไม่ได้ให้ปะหุนส่วนทำธุรกิจก็ถูกเบี้ยวถูกโกงอีกลูกค้าที่ซื้อไปซื้อมาเชื่อใจกันให้เครดิตก็มีอันทำให้ทรัพย์นั้นศูนย์อีกทำยังไงก็ไม่ขึ้นโยมฉลาดแค่ไหนก็ตามยมสังเกตไหมมีใครรู้สึกตัวตั ว, ตวเองฉลาด พอทำให้กับตัวเองเจ๊งแต่ถ้าเป็นลูกน้องเขาเป็นลูกจ้างเขาเออทำให้คนอื่นเขารุ่งได้รุ่งนะพอเก็บเงินเก็บทองพอไปสร้างตัวเองแต่มาเจอโยมมาไลา่ฟังะฉะนั้นตำแหน่งผู้จัดการเงินเดือนเดือนเป็นแสนนะโยม ไม่ใช่เดือนน้อยๆเป็นแสนแสนทำให้กิจการโรงงานเขาก็เจริญดีเขาก็ตอบแทนได้ทั้งโบนัสเงินเดือนเขาก็ให้สุดท้ายพอมีเงินเป็นกอบเป็นกรรมก็ออกมาทำธุ ร, รกิจตัวเองปีสองปีหมดไม่รู้จะไปไหนโยมข้าวัด กันลาให้ฟังหมดทุกอย่างแต่มาบอกอโยมเป็นคนที่ไม่ได้สร้างทรัพย์ไปดิชไหนทรัพย์จะมีได้มาก็ผ่านไปโยมไม่ได้สั่งสมในทานบารมีไว้และแถมบางคนก็ผิดในข้อเรื่องอธินาทาน ไปช่อโกงไปขโมยไปปล้นไปที้มันเป็นโกงเวียนโกงกรรมโกงกรรมโกงเกลียนพอคืนกลับมาตัวเราเองนั่นแหละกลับมาที่เดิมจนยังไงก็จนอย่างนั้นจนซ้ำจนซ้อนนะจนอยู่งั้นแหละไม่เจริญสังเกตดูใครก็ตามที่ว่าหัวดีสมองไวทาอะไรให้คนอื่นแลดีแต่พอตัวเองทําทุกที มีปัญหาจำไว้ข้อศีลข้อสองเราไม่ดีความซื่อสัตย์ของเราไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีเจอก็เจอของปลอมแล้วนะโยมของดีอยู่กับเราได้ก็ไม่นานมันมีเหตุอคึงบอกเออให้รู้ว่า เบื้องหลังของเราไม่ดีแต่เราสามารถสร้างสิ่งใหม่ได้ก็คือปัจจุบันเราเปลี่ยนชีวิตที่ผ่านมาแล้วไม่ได้แต่เราจะทำชีวิตที่เป็นปัจจุบันให้ใหม่ขึ้นมาได้เราก็เริ่มซื่อสัตย์แล้วก็เริ่มให้อภัยทานสัตว์อีก สีลข้อสามเงินบางคนเรื่องครอบครัวว่าผิดข้อลูกเมียผู้อื่นเนี่ยยสังเกตไหมาบางคนชีวิตครอบครัวตัวเองอยู่ไม่มีความสุขอยู่ได้ไม่นานก็แตกแตกแยกกันย่าร้างกันจะรักกันแค่ไหนก็ตามสุดท้ายมีเหตุ ที่ให้ครอบครัว น, นี้ต้องแตกอยู่ไม่ได้อ้างว่าด้วยยากจนอยู่ไม่ได้ก็เรื่องหนึ่งแล้วพอมั่งมีขึ้นมาก็อยู่กันไม่ได้อีกมันมีเหตุสุดท้ายครอบครัวจะไม่เป็นครอบครวัวแต่ใครที่ผิดลูกผัวเมียคนอื่นแล้วดีไม่ดีหญิงก็ไม่ใช่ชายก็ไม่เชิง ชีวิตผิดหวังส่วนมากไม่ค่อยสมหวังยมสังเกตไหมชีวิตที่ว่าต่มาก็ไม่ได้ไปกล่าวโทษนะที่ชีวิตที่ที่ก็เป็นบันดอเนี่ยหญิงไม่ใช่ใชายไม่เชิงนี่พูดถึงส่วนมากเลยเขาจะมีกรรมเรื่องเรื่องหัวใจเรื่องความรักเรื่องชีวิตคู่สังเกตดูอาจจะดีกันในช่วงต้ น, ตน พอผ่านปีสองปีก็เริ่มลงไม้ลงมือกันบ้างเป็นคู่ซ้อมบ้างแล้วก็มีปากมีเสียงสุดท้ายก็ทะเลาะ ก, กันแตกกันถ้าจะแก้ไขต่อไปต้องซื่อสัตย์อย่าไปผิดลูกเมียผู้อื่น อย่าไปผิดล่วงสามีผู้ใดแม้ชาตินี้เองเราก็ไม่มีความสุขมันเป็นความลับที่อยู่ข้างในและเป็นความลับที่เปิดเผยไม่ได้อีกยงกล้าบอกเขาไหมลนะ่ะดิฉันเมื่อกี้ไปสดสามีคนอื่นมาเงี้ยแม่อันนี้กล้าไหมบอกเมื่อกี้ก็ไปเอาภรรยาคนอื่นมาเสื่อมเลยนะ่ะ ตำแหน่งหน้าที่การงานเวลานั้นนี่ข่าวเช้าโชว์มาแล้ ว, วเสือกไม่ได้ชีวิตบ้านแตกสะแลกขาดครอบครัวไม่เป็นครอบครัวี่ยถ้าใครผิดศีลคนนี้สังเกต ด, ดูบางทีบางคนก็พยายามทำดีที่สุดแล้วยอมที่สุดแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะรักษา ให้อยู่กันแบบเป็นครอบครัวได้จะให้เข้าใจกันได้มันมีเหตุที่โดนใจทวบแรงกรรมเนี่ยใครไม่เห็นเนี่ยแต่ว่าใจที่เรารู้อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันคือวิบากที่เราต้องชดชายยมจะปริเสธก็ตามไม่ปริเสธก็ตาม แต่ชีวิตมันต้องแตกและมีเหตุที่ต้องให้แยกจากกันไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยดีไม่ดีคนที่วาสนาที่ว่าจะได้ลูกได้ครอบครัวดีๆบางทีไม่มีเลยถ้าผิดเรื่องนี้บางที ภาษาบ้านเราก็มังกว่าไม่สามารถจะได้ลูกได้มันมันก็มีเหตุของมันถึงบอกยิ่งไปพลาคชีวิตสัตว์ตัวนี้จะเป็นตัวหลักเราไปพลาคลูกพาคชีวิตของลูกใครมาส่วนมากเวลาภูมิภบชาติเกิดมาคนนี้จะไม่มีสกุลที่จะสืบต่อ เจ็บปวดนะขอไปเถ อ, อะโยมสกุลไม่ได้ขอไม่ได้กันในสูตรสุดหนึ่งที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเขาเอาพระขาวมาปูไว้ปูลาดและอธิษฐานให้พระองค์ได้เหยียบเถอะถ้าจะมีบุตรขอบุตรพระองค์ไม่เหยียบเลยพ่่ะ เพราะด้วยอดีตเนี่ยเคยไปพาคลูกนกมาแม้สเดลัฉานก็ยังมีกรรมวิบากให้พวกเรานะอย่าไปทำเล่นอย่างพวกเราตอนเด็กเลยชอบไปยิงนกตกปลาขึ้นปีนบนต้นไม้ไปเอาลูกนกไปเอาไข่มาเล่นอะไรเนี่ยยมรู้ไหมตอนนั้นหัวใจผู้เป็นแม่เนี่ยมันบินร้องจะเป็นจะตายนะนะหัวใจมันจะขาดนะันะ สัตว์ก็รักนะลูกตัวเองนอกมันก็ร้องดูโยมแค่แม่ไก่ยังโอบไก่เหไหมเี่ยวมายังเอาปีกโอบยังไงก็ป้องกันลูกไว้ก่อนถึงบอกต้องเราวักเราจะเดินถูกทางหรือไม่ดูศสีนข้อสีมกันเวลาผิดขึ้นมา คนที่เกิดชาตินี้ยมจำไหมพูดอะไรไม่มีคนฟังบอกอะไรก็เขาไม่ค่อยเชื่อถือนั่นแหละเบื้องหลังของเราเป็นคนที่ทุศีนในเรื่องของมุสาวาทหรือพูดจากโกหกปั้นน้ำเป็นตัวเกิดมาชาตินี้บอกได้เลยว่าคำพูดของเราเหมือนกับไม่มีค่าเลยนะเขาไม่ค่อยสนใจเขาไม่ฟัง คนที่ด่าที่กกหกอะไรความเชื่อถืออะไรพูดอะไรจะบอกเหตุผลดีเขาก็ไม่สนใจที่บอกมันน่าน้อยเนื้อต่ําใจนะทั้งที่ปรารถนาดีพูดดีพูดจริงเขาก็ไม่เชื่อยมจำไหมถ้าอยู่ในข่ายนี้เบื้องหลังของเราก็ไม่ดีเท่าไหร่เป็นคนพูดพร้อยพูดไม่จริงใส่ร้ายป้ายสี ดูถูกเหยียบยามบุคคลอื่นเนี่ยพอเกิดมาชาติที่เราพูดเนี่ยพูดดีขนาดพูดดีเขายังฟังเจตนาเขายังแปลผิดๆเลยนะยมระวังนะหลายคนสงสัยเอย้เราก็พูดดีทาไมเขาฟังไม่ดีเอ้เราก็ไม่ได้ว่าอะไรทำไมเขาว่าเราว่าเขาเคยไหมถ้าเคย ให้รู้ว่าศีลข้อนี้เขาเอาเรื่องอยู่นะไปเตือนวางดีเขาบอกไม่ต้องมาอิจฉาจะเลยไม่ต้องมาวางร้ายมันเปลี่ยนไปอีกแบบเนี่ยเชินพยายามพูดอะไรเนี่ยให้มีศีลมีสัตว์ต่อไปพอพูดคนเขาจะคารมนับถือแลวก็คำนับบางทีเราพูดนะเขาเงี่ยหูฟังเลยนะ เด็กร้องพอเราพูดยังหยุดฟังนะอันนี้ของเราเพราออาปากจะพูดเด็กมันร้องใหญ่เลยบอกอย่พูดเขาไม่เชื่อเพราะ้นสิทธิ์แต่ละข้อเนะี่ยโยมต้องกำหนดด้วยว่าเอ้เรามันธรรมชาตินี้จึงเป็นอย่างนี้อย่างนี้ดูว่าตรงข้อไหนเราก็แก้ไขสะ พูดร้ายให้ร้ายพูดทำลายพูดส่อเสียดพูดคําอย่าพูดเพ้อเจ้อพูดโกหกเนะี่ยต่อต่อไปโยมจะเป็นคนที่ไม่มีใครเชื่อใจและไม่มีใครฟังด้วยไปเตือนลูกเตือนหลานบอกไปเถอะมันเอาหูไปนานะ่ะเอาตาไปไร่แล้วหูทนลมเข้าหูขวาทะลุหูซ้าย ไม่สนบอกให้ทำอะไรแล้วไปหาพวกพร้อมก็ไม่มีด้วยมันหมดจากคนที่เขาจะร่วมกับเราหมดเลยฉะนั้นดูว่าเราอยู่ในขายไหนแล้วในข้อที่ห้าเนี่ยในข้อสุราที่ถ้าใครเคยผิดอะไรมา พอเกิดมาในชาตินี้สังเกตดูนะจะเป็นคนที่เหมือนปัป้มๆเปอร์ๆเวลากรรมมันให้ผลนะจะเป็นผู้ดีแค่ไหนก็ตามถอถ้าผิดศีลข้อนี้จริงอยู่ว่าทานได้ดีเกิดฐานะดีแต่ศีลข้อห้าผิดเป็นคนที่หมึนเมาชีวิตเนี่ยพอเกิดมาเนี่ยสติสตัง ไม่ค่อยสมประกอบถึงบอกสงสารเขาก็สงสารแต่จะช่วยอะไรล่ะในเมื่อเขาได้สร้างเบื้องหลังมาอย่างนั้นกินยาแค่ปลายเหตุมาบรรเทาชะไม่มารักษาแต่ต้นเหตุเขาทำให้สติของเขาเองเป็นคนที่เลอะเลือนไปฟันเฟือไป เมามายจนไม่ได้สติสตางเวลากรรมมันให้ผลนั้นถ้ายิ่งไปเสพสิ่งนั้นอีกเกิดมาจิตหลอนก็มีอยู่ไปสักพักหนึ่งเป็นคนมีโรคประสาทโยมอย่านิดว่าพวกเราเกิดมาดีทุกคนนะบางคนเกิดมาอยู่สักพักหนึ่งประสาทหลอนหลอนบงคนเกิดมาก็ สมองเหมือนกับไม่ค่อยรับรู้กก็น่าสงสารไม่ไม่น่าสงสารแต่ว่ากรรมเบื้องหลังที่แต่ละคนที่ทำมาเนะี่ยมันมีเหตุมาไม่ใช่ว่าเราอยากเกิดเป็นแบบที่ที่เป็นไม่ใช่เอาอย่างคนคนใบ้หูหนวกเดี๋ยวว่าเขาได้กรรมอะไรมา จึงเกิดมาพูดไม่ได้ชีวิตนี้ต้องเรียนภาษาอีกแบบนึงทำมือทำไม้คนตามบอดก็ต้องใช้สัมผัสเรียนอีกแบบด่าไปสิว่าไปสิผู้มีอุปการะคุณพ่อแม่คุณครูบาอาจารย์ลบหลู่เบื้องสูงว่าไปสิสุดท้ายเนี่ย อกุศลกรรมไม่ให้ผลเนี่ยเขาไม่ให้พูดเลยลบหลูเบื้องสูงเนี่ยมันเป็นบาปไม่ได้ฉะนั้นกรรมแต่ละอย่างเนี่ยเรายาชีตของเราไปล้อเล่นท้าอะไรก็ท้าได้อย่าท้าเรื่องเวรกรรม ตอนขนองเนี่ยพวกเราก็เป็นนะแต่พอเริ่มได้สติเข้ามาพอสางเมาขึ้นมาบอกอยู่ไหนเนี่ยมาได้ยังไงก็บอกเมื่อคืนขับรถมาขับรถมาแล้วแล้วแล้ว ม, มานอนเมื่อไหร่ไม่รู้นะเนี่ยเฮ้ยขับรถมาแบบจำไม่ได้ ตื่นขึ้นมาไม่รู้อยู่ที่ไหนโอ้โหโยมมันสูญเสียไปแล้วทั้งสติไม่ได้เลยแล้วถ้ายิ่งไปเสพไอสิ่งที่แม่ก็บอกกินจนประสาทหลอนกินจนสติแตกกินจนมันกับควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วยมลองนึกดูเวลา กรรมวิบากนั้นกลับมาเราไปทำทำร้ายร่างกายก่อนพอสุดท้ายร่างกายเนี่ยมันก็บอบช้าไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเอาสิ่งเสพติดเข้าไปมากเข้ามากเข้ามากเข้าสติปัญญา ส, สมองต่อให้เรียนจบอะไรมาก็ตามพอเสพสิ่งมึนเมาเข้ามาแล้ว มันสูญเสียความรู้หมนเลยไม่ได้นะกันยังไม่สายรีบหยุดก่อนรีบหยุดก่อนเราทาให้ใครก็ตามที่เสียใจแต่สุดท้ายกรรมตรงนั้นจะลงหนักที่เราเราเป็นผู้เสียใจที่สุดในชีวิตท้ายที่สุดในเรื่องของกรรมวิบาก บางคนทำให้พี่น้องพ่อแม่ต้องมาเสียใจวันนี้เราอาจจะบอกไม่ต้องสนใจชีวิตของข้าข้าจะเป็นอะไรไม่ต้องมาสนเป็นตายยังไงไม่ต้องมาเกี่ยวเราพูดผิดถ้าเราเกิดจากดินฟ้าอากาศเลยเนี่ยพูดได้แต่ที่เราเกิดมาจากมีพ่อมีแม่มีญาติมีผู้เลี้ยงดูเราพูดอย่างนี้ไม่ได้ ถึงตายก็ญาติพี่น้องก็ต้องมาเผาเจ็บป่วยเขาต้องมาดูเราจะบอกไม่ต้องมาเกี่ยวมาคล้องคำพูดเหล่านี้ล้วนแต่ไม่มีสติไม่ต้องมาเสียใจกับเราเราจะไปจะตายเรื่องของเราชีวิตของเราพูดอย่างนี้เราไม่รับผิดชอบอะไรเลยไม่ได้และสุดท้ายกรรมเวลากลับมาเราจะเป็นผู้ที่เสียใจที่สุด เวลากรรมมันส่งผลให้ในภูมิพบต่อต่อไปนะไม่มีท่าเลยเป็นคนเขาเขาเรียกว่าหมดสภาพสารรูปดูไม่ได้ชีวิตมันไม่มีโอกาสที่จะต่อสู้อะไรเลยมาสภาพที่สติไม่สมบูรณ์แล้วแล้วมันรู้ต้องชดใช้นานเท่าไหร่ อย่าสูญเสียในด้านของสติปัญญาเราสูญเสียทรัพย์เรายังหาใหม่ได้แต่ถ้าเราสูญเสียสติปัญญามันหมดแล้วถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนตายยมจำคำนี้ไปมีอยู่สุดหนึ่งมีผู้ที่เดินเดินพร่ำมาเลยนะ ข้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้เสื่อมน้อเป็นผู้เสื่อมน้อไม่มีอะไรอีกแล้วบัดนี้ญาติพี่น้องก็ไม่มีทรัพย์สมบัติที่เคยมั่งคัง่งมั่งมีก็สูญหมดเพื่อนฝูงก็ไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างบัดนี้ข้าเจ้าเป็นผูเน้เสื่อมนอเสื่อมหนอพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ได้สดับตรับฟังแล้วก็ ได้ตรัสกับชายผูนี้ว่าเธอยังไม่ชื่อว่าเป็นผู้เสื่อมดูก่อนบุคคลจะเสื่อมยศชื่อเสียงเกียรติญาตมิตรพี่น้องพ่อแม่แม่มิตรก็ตา่างยังไม่จัดว่าเป็นผู้เสื่อมดูก่อนผู้ที่เสื่อมแท้จริง คือผู้ที่เสื่อมจากปัญญาสติปัญญาทั้งหมดแล้วนั่นคือคนที่เสื่อมที่สุดเห็นไหมโยมแสดงว่าทรัพย์สมบัติทั้งหมดเท่บเทียบค่าแล้วเนี่ยสติปัญญามีค่ากว่าก็เหมืนกับเรื่องของมโหสถที่ตกเถียงกันทรัพย์ มีค่ากว่าหรือปัญญามีค่ากว่าก็เทียงกันไยสุดท้ายมโมโหสถก็บอกปัญญามีค่ากว่าถ้ายมสูญเสียทางสตีปัญญาแล้วชีวิตจะมีความสุขได้ยังไงมันหมดแล้วฉนันพวกเราต้องรักษาเดินให้ถูกทาง และต่อมาก็เชื่อว่าพวกเรามาถูกทางแล้วแต่จะเดินได้เข้าใกล้มรรคผลนิพพานเพียงไหนก็ขึ้นอยู่ที่สติปัญญาของแต่ละคนขอจงได้รับความสุขโดยทั่วถึงทุกท่านทุกคนเทิน